การกระทานั้นก็กลายเป็นความทุกข์พวกตันหานั้นทำแค่ตามเงื่อนไขเพราะถ้าตัวไม่ทำก็จะไม่ได้ของมาเสพและเขาจะสุขต่อเมื่อได้เสพแต่ตอนที่ทานี่จาใจก็จึงต้องทำไปด้วยความทุกข์ต้องรอเวลาที่จะได้เสพอีกตั้งเมื่อไรกว่าจะได้ความสุขตอนทำนี่ยาวกว่าจะได้สุขสักทีต้องทุกข์ไปตั้งนาน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 โดยจะให้เงินเดือนเจ็ดพันบาทนี่ก็คือเป็นกฎขึ้นมาแล้วใครมาทำงานนี้การทำงานนั้นก็เป็นเหตุให้เขาได้ผลตามกฎนี้คือทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเจ0ดพันบาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนเจดพบาทเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยตรงไปตรงมาชัดเจนเลยทีเดียวเออ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 แกก็หลบนอนหลบนั่งแอบดื่มเหล้าอะไรต่างๆถึงวันก็มาเอาเงินเดือนไปแต่ไม่ทำเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติทีนี้เมื่อเขาไม่ทำตามกฎธรรมชาติถึงเขาจะได้เงินเดือน 7,000 บาทหรือเพิ่มเป็นหมื่นหนึ่งต้นหมายก็ไม่งามขึ้นมาได้เป็นอันว่าในสองกฎที่มาซ้อนกันอยู่นั้นกฎมนุษย์นี้บิดเบี้ยวได้หมายความว่า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 เพราะเขาต้องการได้เงินเขาจึงมาทำสวนเขาไม่ได้อยากทาให้ต้นไม้เติบโตงอกงามอะไรนี่เห็นแล้วหรือยังว่าเรื่องมันยุ่งตรงนี้ตรงนี้ก็ทวนอีกทีถ้าคนทาสวนต้องการแต่ผลตามกฎของมนุษย์ไม่ได้ต้องการผลที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติก็คือเขาไม่มีความอยากที่เป็นกุศลคือไม่มีความต้องการให้ต้นไม้นั้นดีนี่คือ